นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมานดอเรากลับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์โดยมีอาตมาพระภัยบูนอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกเป็นหนึ่งในผู้ร่วมดำเนินรายการอีกท่านหนึ่งก็คือครับสวัสดีครับกับผมธันทแพทย์นัทพงศ์กนกวิรุณครับผู้ร่วมดำเนินรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ใช่ที่ต้องมีผู้ดำเนินรายการสองคนเนี่ยเพราะว่าบางแง่มุมบางประเด็นเนี่ยก็ จะได้ต่างคนก็อาจจะมีความเห็นต่างกันไปบ้างมีอะไรที่อะจะช่วยเติมช่วยอะไรต่างๆก็ค่อยคุยกันมีคําถามอะไรต่างๆก็ชงกันมาอย่างนี้ครับครับวันนี้พระอาจารย์มีหัวข้อทำอะไรที่จะมานําเสนอแก่ท่านผู้ฟังนะครับอ๋ อ, อวันนี้เป็นตอนที่ยี่สิบหกแล้วถูกไหมครับอ่าตอนยี่สิบห้าตอนยี่ห้าแม่ครับผมตอนที่ยี่สิบห้าเนี่ย ก็เลยจะต้องการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมสัหน่อยหนึ่ง ค, คือบางคน ค, คือปฏิบัติธรรมเนี่ยคือทุกคนนะ่ะทราบอยู่แล้วลว่าดีใช่ไหมไปหลีก็เล่นไปที่นั่นที่นี่ทีนี้แง่มุมที่ยังจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคื อ, อบางคนที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยบางคนรู้ธรรมะอ่านหนังสื อ, อธรรมะทำไมท่าทางมันแปลกแปลกวะ บางคนเดินเหมือนหุ่นยนต์หรือว่าพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะหมอทศชงเคยเจอไหมเคยเคยเจอครับดูเหมือนเพี้ยนเพียนเออเพี้ยนเพี้ยนแล้วแล้วก็มีอาการแบบแข็งแข็าแข็งโลกอนั่งยิ้มคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออทําไมพูดจาหยาบกระด้างบ้างทั้งนั้นที่เป็นคนไปวัดขึ้นเสียงขึ้นมาหรือไปเถียงคนอื่นว่าอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกแรงต่างงี้นะอันนี้เปนคนเป็นบัตรธรรมหรือเปล่า จริงๆต้องการจะพูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่จะมารู้ธรรมะเห็นธรรมะได้เนี่ยแม่จิตเขาจะต้องอ่อนโยนคือธรรมะเนี่ยเป็นของเบาไงมรรตพงศ์คือเป็นของที่เขาเรียกว่าผู้รู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยจะสบายใจเกิดความเบาไม่ใช่ของหนักนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหนักๆ ห, หรือว่าขวางๆตึงๆอันนี้ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่ทำมาอันนั้นไม่ใช่ซึ่งซึ่งคุณอาจจะปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติยังไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ที่แน่ๆ น, นะยังมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่นะคือที่พูดถึงความยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยคืออันนี้หมายความว่าอบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่านี่ฉันไปหลีกเล่นปฏิบัติทำมาละห้าวันสิบวันบ้างอย่างงี้นะได้บุญละเอาละ ต่อไปนี้ฉันได้ใบอนุญาตในการด่าคนอื่นละฉันได้ใบอนุญาตในการที่จะเหนือกว่าคนอื่นละโอ้โหอันนี้เป็นความเห็นที่ผิดนะครับไม่ได้เรื่องเลยคเนื่องมาจาคนที่รู้ทําปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยนะเขาจะมีความเห็นว่าเขาจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อ น, นี้เปน็นอักฐานนะแล้วก็ อ, อบางคนที่ไปปฏิบัติธรรมนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะที่พูดไปเมื่อสักครู่เรา รู้ทำเ็นทำแล้วเราจะไม่ยกตนข่มท่านดทุกขุนค้อนี้เป็นนันค่ะบางคนบอกฉันรู้พระวจนะละ่ะฉันจําได้ละ่ะฉันไปอีกเล่นมาห้าวันละ่ะฉันไปถือศีลมาแปดวันนะฉันทําอย่างงั้นฉันทำอย่างนี้นนอนเอาละ่ะเดี๋ยวทำหนึ่งทำผิดศีลได้ด่าคนอื่นได้คิดว่าตัวเองดีกว่าอย่างบางคนน่ยหมอรัทพงศ์บอกว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านหนท่านนี้อ่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง รู้ธรรมะอันธรรมะมีศักยภาพในตัวเองสูงจําธรรมะได้พูดธรรมะหาเลี้ยงครอบครัวได้กับบ้านด่าแม่ยังไงพูดมไม่ดีกับแม่อพูดไม่ดีกับพี่น้องญาติพี่น้องคนกับนอกคนนอกบ้านพูดดีกับบ้านพูดไม่ดีอย่างไงนะไอ้มันไม่ใช่ ค, คือเขายังมีความยึดมั่นถือมั่นในในตัวเองสูงมากซึ่งธรรมะมไม่ใช่อย่างงั้นธรรมะเป็นเครื่องทวนกระแสอออืือนคประเด็ลักษณะนี้นเราเรามีมีศัพมีศัพไม่ครับว่าเป็นลักษณะ ว่าผิดธรรมะในรูปแบบนี้เรียกว่าผิดศีลหรือผิดอะไรมีไหมครับอ๋ออันนี้รพระพุทธเาบอกว่าเป็นผู้ที่ยกตนข่มท่านยกตนข่มท่านด้วยคุณธรรมของที่ขี้พระเองมี อ, อีกประการหนึ่งที่พระพุทธเาให้พิจารณาอยู่เนืองเนืองนะครับหนึ่งในข้อนั้นก็คือว่าพระพุทธเาใช้คําว่าเราต้องพิจารณาเนืองเนืองว่าสิ่งอื่นนะที่จะต้องทําให้ดีขึ้นไปยิ่งกว่านี้ มีอยู่อีกหรือไม่ออคือครับไม่ใช่ว่าดูว่าเราดีตรงไหนแต่ดูว่าตรงไหนที่เราจะ<ร>าทำให้ดีขึ้นไปอีกได้ีดไปอกอกครับตรงนี้ก็อันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันนี้คือประการที่หนึ่งนะประการที่สอ ง, งเกี่ยวกับเรื่องคนปฏิบัติธรรมรก็คือว่ามักจะไปยึดติดในปิติสุขที่เตือนได้รับในขณะการปฏิบัติอย่างมาวัดอย่างเงี้ยแม้ฟังธรรมมาแล้วแมมมันซาบซึ้งจริ ง, รงๆเลยกลับบ้านไปไม่ได้นะ กับบ้านไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างงั้นอันนั้นก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่เข้าหูเข้าตาหรือ ม, มันก็จะมีการด่ากันว่ากันเกิดขึ้นนะซึ่งซึ่งเขามีความอย่างลงยึดมั่นอย่างหนานแน่นในปีติสุขที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่เป็นอย่างนี้อันนี้คือใน<อ>มุมของคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็อีกประการหนึ่งหมอธงคงคือการปฏิบัติเนี่ยมันทําได้ทุกที่ทุกเวลา อ๋อหมาถึงว่านอกนอกวัดเราอยู่ในบ้านอยู่ที่ทํางานอย่างนี้ก็ปฏิบัติได้ตลอ ด, ดใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอไปอยู่ที่ทํางานนั่งหลับตาแล้วก็นั่งสมาธิในที่ทํางานโอ๊ยมันคนอื่นเห็นก็บอกอันนี้เพี้ยนเลยใช่ครับมันไม่จําเป็นนนะั้แค่เรามีสติอยู่ในลมหายใจเนี่ยโอ้โหอันนี้ดีม า, ากๆล่ะนะมีจิตไม่กระสับกระส่ายไม่มีนิวร มีจิตไม่ฟุง้งซ่านมีส ม, มาธิฏิเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ชื่อว่าบูชาละอ อ, ะอยู่บ้านก็ได้อยู่ที่ออฟฟิศก็ได้มาวัดก็ได้อย่างนี้นะเหมือนว่าจิตจิตเราอยู่กับงานที่ทําอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่คิดเรื่องเดียวมีสมาธิกับอยู่กับเรื่องเรื่องเดียวอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นกรณีหนึ่ง อ, อย่างสมมุติเราไปคิดเรื่องอื่นอะครับเราไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราก็มีสติอยู่ในเรื่องที่ไปคิดนั้นก็ได้ ครับนะฮะหรือว่าให้มีอ่การปรุงแต่งทางกายวาจาใจที่ดีอ่ะอย่างบางที่เราอยู่ในห้องประชุมอย่างเงี้ยมิ팅กันอย่างเงี้ยนะมิ팅ถึงแผนข้างหน้าห้าปีสิบปีอย่างเงี้ยถ้าวาจาเราไม่กล่าววาจาเป็นบาปมีจิตเมตตาอันนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติธรรมละอ๋อครับอช่ไหม mm hmm. เรามีสติอยู่ในสิ่งที่พูดอย่างนี้ก็ได้ mm hmm. แล้วก็พูดแต่สิ่งที่ไม่ผิดศีลอย่างเงี้ยนะไม่ผิดเรื่องของ มิจาวาจาอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่มีการมาวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจาราณต้องพูดอย่างหนึ่งว่าคุณมาวัดมาปฏิบัติเนี่ยหรือว่ารู้ธรรมะเนี่ยเพื่อกุดเก่ากิเลสครับเนี่ยเพื่อเอากิเลสเนี่ยออกจากจิตนไม่ใช่เพื่อพอกปูนเพิ่มปูนความยึดมั่นถึงมั่นอืมครับ เพราะฉะั้นถ้าเรารู้ธรรม ะ, รรมะเห็นธรรมะแล้วเนี่ยเป็นการพ่อคูณความยึดมั่นถึงมันโอ้ยนี้ธรรมะของฉันอันนี้ต้องอย่างนี้เท่า น, นั้นอย่างอื่นไม่ใช่อันนี้แตะผิดถือว่าผิดผิดทางอไม่ใช่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยจิตของเราเบาขึ้นนะสบายขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นไม่ยึดถืออะไรมากขึ้นกํำหนดบทเพลงชนะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ค่อยทําไปค่อยทําไปอันนี้ถูก ในสมัยพุทธกามลมรดพงศ์ก็มีคารวะทีะ่มีกิจการงานเยอะแยะไปหมดนะเศรษฐีหมาเศรษฐีซ<ช>้ายขวาหน้าหลังเขาก็ทำแล้วเขาก็ยังมีเวลาไปวัดเนี่ยไปวัดเนี่ยเขาก็ไม่เอากิเลสไปอดไก่กิเลสเนี่ยทิ้งนะเราต้องพิจารณาว่าเสพของสิ่งไหนแล้วเราตั้งมั่นได้กิเลสเราลกได้แล้วก็ทำอย่างนี้นะถ้าเราทาอะไรแล้วกิเลสเรายัง ละไม่ได้นะจิตก็กลับเป็นไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราอย่าทําสิ่งนั้น อ, อเพราะฉะนั้นใ ห, ให้ละทิ้งสิ่งนั้นไปใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องของเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ให้สำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติพระเจ้าจึงเตือนเรื่องของปริยัติที่เป็นงูพิษ<อ>นะปริยัติที่เป็นงูพิษคานี้หมายความว่า ย, ยัางไงนะครับท่านปฏิบัติที่เป็นงูพิษคือรู้ธรรมะเนี่ยจําได้นะสิ่งที่เป็นพุทธวจนะ โอนี้อยู่ในสูตรนี้ออันนี้ผู้หญาพูดกับคนนี้อันนี้อุทานเฉยเฉยอันนี้อยู่ในเนื้อเรื่องนี้จำได้หมดเลยนะแม่นเลยแล้วก็โค้ดได้ด้วยบทเพียรชนะเหมือนเปียบอย่างนี้นะแต่ว่ารประโยชน์ที่ธรรมะจะได้แก่บุคคล น, นั้นเนี่ยเขากับไม่ได้กั บ, บไม่สำเร็จประโยชน์มีจิตเนี่ยเพื่อที่จะเรียกว่าหาข้อผิดใช้ธรรมะเนี่ยในการหาข้อผิดพลาดในรัติอื่น นี่คือลักษณะของปริญญาที่เป็นงูพิษครับ<ม>แล้วก็ไอ้<ม>เรื่องของปริญญาที่เป็นงูพิษเนี่ยพระเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่ต้องการงูครับเนี่ยแล้วก็เขาก็ไปหางูพอเจองูแล้วเนี่ยก็รีบจับงูเลยแหมเจอคนต้องการงูนะเจองูก็รัก็ดีใจก็เลยรีบจับงูเข้าที่ตัวหรือว่าเข้าที่หางเอาสารพิษตัวนั้นก็ฉกมือฉกแขนหรืออวัยวะอันใดนหนึ่ง อาคนจับก็ตายตอนนั้นองมอเ ง, งูอ ม, มอเ ง, งูจงับงูไม่ดีนี่ตายนะเพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่ไม่สอดส่องใคร่ครวญเนื้อหาของธรรมะนั้นด้วยปัญญานะธรรมะเหล่านั้นก็เลยไม่เกิดประโยชน์แก่เขานะแล้วเขาก็ใช้ธรรมะเหล่านั้นเนี่ยไปเพื่อหาข้อผิดพลาดทําลายลทัทธิอื่นๆครับอย่างนี้นะแต่ว่าสิ่งที่ไม่เป็นงูพิษเป็นไงนะก็คือว่า เปรียบเหมือนกับคนต้องการงูใช่ไหมไปหางูเสร็จรแล้วเนี่ยเขาก็เอาไม้อันหนึ่งนะที่เป็นท่อนไม้เนี่ยมีง่ามดังเท้าแพะกดงูนั้นเลยกดให้แน่นเลยไม่ให้มันหนีไปได้พอกดงูอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยก็จับที่คอนะอย่างดีนะจับที่คออย่างดีแล้วเนี่ยถึงแม้ว่างูมันจะรัดแขนเรารัดเอาตัวมันเนี่ยรัดแขนรัดอวัยวะต่างๆของเรานะแต่เราไม่เป็นไร เพราะ ว, ว่างูนั้นถูกจับไปดีแล้วอืมจะเห็นว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าเขาต้องเอาง่ามเท้าแพะเอาไม้ที่มีลักษณะเหมือนอ่าเป็นง่ามงาม่งาง่ามเท้าแพะเนี่ยกดเอาไว้ก่อนนะถึงจะเรียกว่าทํางานนะซึ่งตรงนี้จะมีขั้นตอนเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องสอดส่องไค้ครวนเนื้อความนั้นด้วยปัญญาอพิจารณาก่อนอ่าพอสอดส่องไข้ครวนเนื้อความนั้นด้วยปัญญาเลยก็จะเรียกว่า ทํานั้นเนี่ยจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะเขาก็จะใช้ธรรมะนั้นเนี่ยให้สําเร็จประโยชน์ที่ธรรมะนั้นจะเกื้อกูลเขาได้อันนี้ชื่อว่าปริยัตที่ไม่เป็นงูพิษท่านผู้ฟัง<ม>ที่ฟังรายการพอดแคสต์เนี่ยท่านไหนที่ฟังรายการก็เรียกว่าของสวทอของวิทยุรรประเทศไทยนะทางกรุงเทพเป็น 92.5 จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่เรียกว่าปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษ นะช่วงนั้นก็จะได้เอ า, เอาข้อมูลเนี่ยมาชี้แจงถแถลงการนั่นแหละในก็เปรียบเทียบต่างๆด้วยอันนี้ก็คือในแง่ของการปฏิบัติธรรมนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันไม่ใช่แค่มาที่วัดหรือว่าด้วยอิริบทใดอิเรียบทหนึ่งคนปฏิบัติธรรมนี่แหละจิตใจจะสูงประสิทธิภาพในงานทำงานจะดีขึ้นจะเข้ากับหมู่คณะได้ แล้วก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ในเวลาที่มีอันตรายในเวลาที่มีภัยจิตของเรามั่นคงเป็นจิตที่เบาบนะเย็นสบายไม่ด่าใครไม่ว่าใครใครด่าเราว่าเราเราก็อดทนได้สบายใจอยู่ไม่ใช่ตัวประหลาดนะยิ่งจะเป็นคนที่สามารถนำหมู่ช น, นได้แล้วก็นี่แหละคนที่ชื่อว่าปฏิบัติธรรมจริงครับ ต้องมีคุณลักษณะท่านที่ท่านกล่าวมานะครับว่าเหมือนเหมือนเหมือนจิตเนี่ยจะเหนือเหนือกว่าคนธรรมดาที่จะหมายถึงว่ามีสมมติมีผัสสะมากระทบกระทบที่พอใจหรือไม่พอใจก็ที่เขาเรียกว่าเกิดอาการกระเพื่อมอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ว่าถ้าคนคนปฏิบัติเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าไม่ไม่กระเพื่อมมากหรือว่านิ่งๆเฉยๆสบายอยู่รู้เท่าทันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ เพราะฉะนัะ้นนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติครับซึ่งเพระฉะน้นจึงต้องเรียกว่าเน้นอ่ะเน้นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยปฏิบัติ ด, ด้วยครับใครครวญฟังธรรมนี้แล้วก็ใครครวญไปแล้วก็ซึ่งก็จะมาถึงเมื่อใครควรไปแล้วอาจจะมีคําถามข้อสงสัยก็ถามมาได้อย่างที่มีคําถามอยู่ในรายการตอนนี้อ่ะเนาะครับคําถามแรกเป็นของคุณมณีเมธนะครับ มันนี้ก็เป็นขาประจำของเรานะครับก็มีคําถามว่าเมื่อเกิดอุเบกขาและเห็นความจางคลายของอุเบกขาหมายความว่าเห็นความว่างความวางเฉยที่เกิดจากสมาธินั้นสิ้นสุดลงก่อนที่จะมีการเริ่มต้นของจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้น คือเรื่องใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเห็นว่าเห็นจุดเริ่มต้นของเรื่องฟุง้งซ่านเรื่องใหม่ที่เข้ามาต่อจากอุเบกขาที่มีขึ้นแล้วจางไปนั่นคือเห็นรอยต่อระหว่างความว่างความว่างก็คือวงเล็บอุเบกขานะครับและจุดเริ่มต้นของจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นสภาวะนี้เหมือนเกิดเป็นช่องแคบแคบที่เล็กมากระหว่างรอยต่อของความว่าง และความเกิดใหม่อย่างนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าประตูนิพพานหรือประตูวิมุตติแล้วถ้าเจอประตูนี้แล้วจะเข้าไปได้อย่างไรนะครับเหมือนเหมือนเป็นสองคำถามอยู่นะครับคำถามก็คือว่าถ้าเจอประตูแล้วจะเข้าไปยังไงพระพระุทธเจ้าใช้คาว่าประตูประตูสู่นิพพานอันเป็นธามตาเนี่ยเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้น สัจเราได้มีโสดประสาทสัานั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดเนี่ยแสดงว่าประตูสูนิพพานอันเป็นนามธรเนี่ยมีน ะ, ะที่ท่าอาตมาบอกว่าไม่มีเนี่ยไม่ถูกล ะ, ะประตูมีหน้าตาประตูเป็ น, ปนยังไงอุเบกขานั่นแหละคือนหน้าตาประตูสมาชิกนั่นแหละคือนหน้าตาประตูะ ม, มีอะไรปีตินั่นแหละคือนหน้าตาประตูแล้วก็ปัสสตินั่นแหละคือหน้าตาประตูใช่ไหมสติก็ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าตาของประตูหมด เอาแค่ว่าจิตเราเป็นสมาธินั่นแหละประตูบุสูนิพพานแล้วเอาแค่ว่าเรามีสีนั่นแหละประตูบูสูนิพพานละ<อ> ม, มันง่ายมากเลยนะหมอรัตพงศ์คุณจ อ, อยที่ประตูแล้วเอ๊แต่ว่าไอ้จอยแล้วทำไมเราเข้าไม่ได้อะอทำไมเราไม่เข้าสักทีว่าเพราะว่าเรายังมีตันหาดึงหลังเราอยู่ดึงหลังไม่ให้เราเข้าไปสองละไอประตูเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะว่ามีอวิชามาบังตาเราอยู่ครับทีนี้ถามเอา ที่ที่ต้อง ท, ท, ที่ว่าตันหามาดึงหลังเราอยู่เนี่ยนะคือว่าเราถูกผูกด้วยตันหาถูกอภิชาบังอยู่อันนี้เป็นพุทธวจนะนะที่มีมีคำกล่าวว่ามีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกใช่ใชครับใช่แต่นี้ว่าเราจะถามว่าเราจะเข้าไปยังไงก็การที่เราเห็นว่าจางคลายดับไปนะความจางคลายเราดับไปเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยบ่อยๆเราจะเข้าได้ อวิธีการเข้าก็คือว่าเห็นเกิดดับนั่นแหละเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละนั่นแหละคือวิธีที่เราจะก้าวสู่ก้าวเข้าประตูได้นะเราจออยู่ประตูอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับอ่แค่ตื่นเช้ามานั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีนทัจิตเป็นสมาธินั่นแหละคุณจออยู่ที่ประตูละแต่คุณเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆแต่คุณจะเข้าประตูได้แค่นั้นเองอ ม, มีมีคํากล่าวอันหนึ่งว่าสติเป็นที่แล่นไปสู่นิพพานอันนี้ก็เป็น หมายควาว่าสติก็เป็นประตูสู่พระนิพพานใช่ไหมครับใช่ใช่สติก็เป็นหนึ่งในอโ้ชงทั้งเจ็ดอันนี้จริงเป็นคําถามของคุณวัชินเพราะคุณวัชินท่านถามว่าอยถาภูตยานะทัศนะนะครับอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับยะถาภูตยาณทัศนะนะมีสมาธิเป็นที่อิงอาศัยอืม นิพพทามียถาภูตายานะทัศนะเป็นที่อิงอาศัยวิราคะมีนิพพทาเป็นที่อิงอาศัยวิมุตติมีวิราคะเป็นที่อิงอาศัยยานในธรรมเป็นที่สิ้นไปมีวิมุตติเป็นที่อิงอาศัยฉันนั้นเหมือนกันแล้วครับคำถา ม, ถามก็คือคุณวสินเนี่ยต้องการให้พระอาจารย์ช่วยอธิบาย พุทธวจนะบทนี้นะครับมันต้องไล่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้คือจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยคือหนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งคือจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทําให้เห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นคําว่ายะถาพูตยานัทัศนาเนี่ยแปลว่าเห็นตามที่เป็นจริงยะถาพูตยานัทัศนาเนี่ยแปลว่าเห็นตามที่เป็นจริงครับคืออันนี้สืบเนื่องมาจากประเด็นที่หมอรัตตพงศ์พูดถึงว่าสติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุติใช่ไหม และสติมันแล่นไปยังไงก็คือมาสอดคล้องกับคำถามของคุณวศินที่ว่า<ๆ>พอเรามีสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับพอมีสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยก็คือจะทําให้เห็นตามที่เป็นจริงได้คือมียาถาอ่ยายถาพุตตายานัตถสนาพอมียาถาพุตตายานัตถสนะคือการเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเนี่ยจะมีความเบื่อหน่ายจะมีความเบื่อหน่าย อ๋อที่นิพิทาใช่ไหมครับคือความเบื่อหน่ายพอมีนิพิทาความเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยก็จะมีความจางคลายวิราคะวิราคะวิราคะคือความจางคลายพอมีความจางคลายวิราคะแล้วเนี่ยก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็นั่นแหละคือวิมุตต์นะพราะปล่อยวางได้เป็นเป็นวิมุตต์แล้วเนี่ยนะสุดยอดแล้วหลุดพ้นละก็เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือวิมุตต์เพราะว่าในวิมุตต์เนี่ยไม่มี ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาให้รู้อืไม่มีอายตนะมารับรู้เพราะฉะนั้น <c oughs> จึงมีเครื่องรู้สําหรับสิ่งแบบนี้ซึ่งไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันเป็นเสียงอยู่แต่สิ่งนั้นในที่นั้นไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นจะอธิบายด้วยเสียงนี่มันไม่ได้ <c oughs> ก็จึงมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าอ้า น, นี่คือวิมุตแล้วนั่นก็คือวิมุติญานัศนะคือยาน <c oughs> เป็นที่ทําให้รู้ว่าอ่ะอันนี้คือวิมุติยานในธรรมเป็นที่สิ้นไปนะอืม และแรกเป็นขั้นตอนก็คือว่าคุณจะรู้ได้ไงว่านี่กรุงเทพอย่างสมมุติเราเวลาเราขับรถยนต์เนี่ยส ม, มัยเด็กๆเรามาเ<ช>คยเดินทางจากภาคใต้ของประเทศไท ย, ยนะเดินทาง<ช>จากยะลาเนี่ย<ช>ไปที่ประเทศมาเลเซีย<ช><ช>ป้ายปักประเทศว่าอันนี้คือประเทศมาเลเซียนี่ยอยู่ในดินแดนมาเลเซียคร<ช>ับเพราะฉะนั้นป้ายบอกว่าอันนี้คือวิมุตตเนี่ยอยู่ในเขตวิมุตตเพราะฉะนั้นป้ายที่บอกว่าอันนี้คือวิมุตตเนี่ย นั่นแหะคือวิมุตติญาณัตตาสนะอ่า<ช>คือญาณที่ทําให้รู้ว่าอันนี้คือวิมุตต์แล้วเครื่องรู้ที่ทําให้รู้อันนี้คือวิมุตต์แล้วเนี่ยอยู่ในวิมุตต์อ่าเพราะฉะนั้นอ่าก็ไล่กันเป็นอย่างนี้สติทาให้มีสมาธิสมาธิทาให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะมีความหน่ายหน่ายแล้วก็จ ะ, ะปล่อยวางหน่ายแล้วก็จะมีความจางคลายาจางคลายแล้วก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็คือวิมุตต์ จะรู้ว่าอันนี้คือวิมุตต์ได้ก็ต้องมีป้ายบอกความเป็นวิมุตต์อยู่ในเขตนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าไล่ไปก็คือว่าอันก่อนหน้าเนี้ยเป็นเหตุของอันถัดไปอย่างนั้ับองคาว่าเป็นที่อิงอาศัยเนี่ยก็คือใช้คําว่าเหตุทดแทนได้ใช่ไหมครับเเป็นหตุได้ก็จะง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นบไอตรงนิพพิทาขอมีมีคําถามผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่า ในความความจางคลายเหมือนกับว่าความเบื่อหน่ายเบื่อหน ài, ่ายทางโลกกับเบื่อหน ài, ่ายทางธรรมเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงครับท่านช่วงนี้ถ้าจะแปลให้ถูกนะ่าจะใช้คาว่าหน่ายเฉยอ๋อความหน่ายอ่า ค, ความหน่ายคาือถ้าเบื่อนี่มันอาจจะเบื่อเซ็งอนะบอเบื่อเซ็งเนี่ยไม่เหมือนกันหน่ายเบื่อเซ็งเนี่ยก็โอ้ไม่อยากทําล้เบื่ออย่างเงี้ย น, นี่คือเบื่อเซ็งแต่ว่าหน่ายเนี่ยคือหน่ายนี่คือแบบ โอ้ไม่เอาหรอกไม่เห็นค่าไม่เหประโยชน์อย่างนั้นไหมครับคือมันจะพูดยังไงอะอย่างสมมุติเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยนะครับเรามีความสุขเกิดขึ้นเรามีความทุกข์เกิดขึ้นก็มีนะบางทีปวดเข่าปวดเข่าปวดขาปวดแขนปวดไหล่ปวดเอวมันปวดวจริงๆเลยนะครับพอเราเห็นตามที่มันจะว่าความปวดนี่ไม่เที่ยงไม่เอาละพอนี่แหละคือความหน่ายนึกออกไหเหมือนไม่สนใจมันอย่างนี้ไหมครับความทุกข์เราก็หน่าย ก็ใช้บทเพลงญันดับแของพระเจ้าคือไอนายค่ามไนนิพิทาหน่ายคือหน่านน ย, นยที่จิตจะเข้าไปยึดโอ๊ยปวดเหลือเกินที่เรารู้สึกปวดรู้สึกว่านี่เป็นของฉันก็เพราะว่เราเองมีความเป็นขาของเราแข็งของเราแล้วก็ยังไปยึดถือว่าอันนี้เวทนาก็ของเราของเราโอน้นี่ น, นี่ของเราทั้งนั้นที่มันปวดนะไม่อยากได้แต่ว่ามันเป็นของเราแต่ถ้าเราหน่ายเมื่อไหร่นะอความทุกข์เราก็หน่ายนะความสุขเราก็หน่ายนะทุกข์เราไนพอเราหน่ายทุกข์เนี่ย เราปล่อยได้ดทันทีนี่คือนิพิธาความหนาพระพุรธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับขนไก่เวลาถูกความร้อนเนี่ยมันต้งหดเข้าเท่านั้นหรือเวลาเรามื อ, มอขวาเนี่ยถ้าเราเอา ไ, ไปไว้หลังมือเนี่ยนะต่อให้เรากำรรยังไงมันก็จะกลับไม่โดนแต่ถ้าเอาอะไรมาไว้หน้ามือเนี่ยเวลาเรากำยังไงก็จะโดนเหมือนกันจิตที่ยังไม่หนาเนี่ย ก็เปรียบเสมือนคุณเอาของมาไว้ที่หน้ามือแต่ถ้าจิตที่ไหนแล้วก็คือคุณเอาของมาไว้ที่หลังมือกรรมยังไงก็ไม่ติดอุปมาณนี้ น, นี่เห็นชัดเลยนะครับอันนี้คือทิ่พุเจ้าบอกเอาไว้นะครั บ, บ, นะรบท่านมีคําถามของอท่านผู้ฟังที่ใช้นําว่าคุณปณิทิศนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเลยนะครับได้เล ย, เลยอคุณปณปิทิศถามว่าวิธีละอะกุศล พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่านิวรณ์เป็นอกุศลคนบันนี้ที่เลยสงสัยว่าเครื่องกั้นขวางสมาธิอย่างนิวรณ์เป็นอกุศลด้วยหรือไม่แล้วจริงๆความหมายของอกุศลเนี่ยรวมอะไรบ้างอ๋อ น, นิวรณ์นี่เป็นอกุศลแน่นอนเป็นสิ่งที่พรุทธาบอกว่าเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอกุศลต่างๆหมดหมดเพราะฉะนั้นอกุศลก็หมด เพราะว่าไม่มีนิวรณ์เป็นอย่างสุดท้ายคือนิวรณ์เป็นอกุศลอย่างละเอียดละ่ะแล้วก็อกุศลยังมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของปากเนี่ยปากนี่ก็คือถ้าคุณพูดพูดโกหกพูดเท็จพวกนี้คืออกุศลกายหลกักข่าศัตร์ลักทรัพยผู้บิณในการพวกนี้อกุศลทางใจงมีอะไรอีกที่เป็นอกุศอลอีกดัมรีช่วทั้งหลายแหละดัมรีในการดัมริีพยาบาลดัมริีเบียดเบียนอันนี้ละเอียดขึ้นมาหน่อยละเอียดลงไปกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของสมาธิฏฐิ ก็คือคนไม่มีสมาธิเตีมีมิจฉาทิฏฐิอ่ะมีพยาบาทมอาีอภิชาความเพ่งเล็งอย่างเงี้ยพวกนี้จะเป็นอกุศลทั้งหมดอกุศล10อย่าง<ม>ก็มีพระเจ้าบัญญัติ ถ, ถึงเรื่องกุศลกรรมบท10แล้วก็อกุศลกรรมบดสิบซึ่ง<ม>ตรงนี้ก็คือเหมือนอย่างที่พูดเมืนะ่อสักครู่นะคือศีลทางกาย3ข้อศีลทางวาจา4ข้อเป็น7ข้อละ แล้วกรรเรื่องของทางใจอีกสามข้อแล้วรวมเป็นสิบข้อพอดีทั้งบวกและลบกุศลนกุศลครับข้บอที่สองในชีวิตคารวะเราคงยังจะต้องเจอการเสพกามอยู่อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราควรทำอย่างไรดีครับเราควรจะละให้หมดเลยไหมครับหรือเสพอย่างไรให้ควรพอดีละให้หมดเลยเลิกไม่เอากาม ทีนี่ว่าคุณปริทนี่อาจจะ ย, ยังไม่เข้าใจคาว่ากามนันนคืออะไรกา ร, ร, รเนี่ยคือความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีพอใจในทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่ากามแต่ว่ากามาคุณ5เนี่ยคืออารมณ์อันวิจิตพิสดารเนี่ยอันนั้นไม่ใช่การาไม่ใช่กาแต่เป็นการมาคุณคนะถ้าเรามีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินในกามาคุณห้อันนั้นคุณเสพกาค ร, ค, รคุณขับเบ้ คุณมีเงินเป็นหลายๆร้อยหลายพันล้านอย่างเงี้ยถามว่า ม, มีได้ไหมมีได้ไปกินอาหารอร่อยอร่อยได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเราไม่กําหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นก็ชื่อว่าไม่เสพกามในทีนี้<อ>คนที่เขามีบุญมากครับมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากอย่างพระาเป็นต้นอ่ะได้ผ้านเนื้อละเอียดมีบินทบาทเสนาสนะนะ ทุกอย่างอย่างละเอียดประณีตนะเป็น ส, สมณะสุคุมารชาติอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเสพได้ไหมมันก็ต้องได้แต่ว่าเราไม่ยินดีพอใจในสิ่งนั้นเอาพูดใหม่ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่จิตของเราเป็นยังไงไม่กำนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งนั้นอันนี้ชื่อว่าไม่เสพกามอารหั์วิจิตเสพได้ใช้ได้ก็ตามเหตุตามผลอันนี้เป็นเป็นของเป็นไปได้ เพรน mm ้น hmm. ละเลยเลิกเลยอย่าทําแต่ถ้าคุณเป็นคนมีบุญมากคุณอาจจะมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์ที่ละเอียดประณีตกว่าคนอื่นๆเอาอย่างแค่บ้านบ้านนอกอ่ะเวลาเขาอยู่เขาก็หยุดพื้นดินนะเขาไม่ได้ปูก็เรียกว่าอะไรปอพื้ น, นยกพื้นปูปูซีเมนนะปูซีเมนอ ย, อย่างบ้านเราเนี่ยนะปูซีเมนเสร็จแล้วคุณก็ปูกระเบือ้องปูกระเบือ้องคุณยังปูพรมอีกนะ ปูปพรมโอ้โหนี่มันละเอียดปานนี่มากแต่ชาวบ้านนี่พื้นดินธรรมดาเอาแค่บันหนึ่งตั้งสบายละครับ อ, อย่างนี้นะซึ่งมันละเอียดคนปานนี่คนละอย่างแต่ถ้าชาวบ้านนะเขาอยู่พื้นดินธรรมดาเอาแค่ตั้งนะมีความกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้นเขาก็เสพกามนะอเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกมันอยู่ที่สิ่งภายในทีนี้ประเด็นอันนี้เรื่องของกามกับกามกุลแยกกันได้ละเห็นละทีนี้ว่าอีกประเด็นหนึ่งคือ อย่าฟังเพลงอย่างเงี้ยฟังเพลงกินหรือว่าดูการละเล่นดูทีวีอย่างเงี้ยผู้ายจึงห้ามนะการละเล่นหรือว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่าศึกต่อกุศลธรรมอันนี้ก็ไม่ควรทําอย่างสมมุติคุณบอกว่าถ้างั้นฉันก็ฟังเพลงไปดูหนังดูทีวีดูละครแต่ว่าไม่กําหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินโมเมาอย่างนี้ก็ได้สิคนละเรื่องเลยเพราะนั้นเป็นศีลในศีลแปดอันหนึ่งที่ว่าไม่ ดูการเล่นเล่นอันเป็นค่าสืบกแก่กุศลธรรมนะแต่ปัจจัยสี่นะปัจจัย4ี่เพลงนี้ไม่ใช่ปัจจัยสี่นะรเราพูดถึงบ้านรถอาหารเครื่องนุ่งห่งมยารักษาโรคพวกนี้ ค, ค, คุณละเอียดประณีตได้ไม่ลุ่มหลงได้นะแต่ว่าอย่างฟังเพลงดูหนังดูละครพวกนี้ไม่ควรทำํำเพราะฉะนั้นถามว่าเเสพกรารเสพกรารคุณอะไรเสพกรารกินอาหารอร่อยหรอหรือว่าฟังเพลงกินอาหารอร่อยได้ไม่มีปัญหา นะฟังเพลงอย่าทําให้บ่อยออค่นี้ไม่ไม่แน่ใจว่าในในคําถามของผู้ถามเนี่ยเสร็จการถ้าเกิดว่าในคนทั่วทั่วๆไปหมายถึงว่าการที่เหมือนกับว่าผู้หญิงผู้ชายอย่างเนี้ยไม่ไม่ทราบถ้าอย่างเนี้ยถ้าถ้าสมมุติว่าคําถามความหมายอย่างเนี้ยก็คือก็เหมือนกันใช่ไหมครับคําตอบก็คือควรละเลี่ยงอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อคืออย่างเรื่อง เพศสัมพันธ์เรื่องบนเตียงพวกเนี้นะผมเป็นก็อยู่ในการมกุลหอ๋อครับออันนั้นเป็นเขาเรียกว่าการประพฤติพรหมจันทร์ถ้าสมมุติระดับศีลห้าเนี่ยระดับศีลห้าเนี่ยก็คือว่าคุณมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ให้อยู่กับคู่คู่ของตัวเองครับถ้าศีล8งดไปเลยเลิกไปเลยเพศสัมพันธ์ไม่มีอืมครับเราะงั้นก็อยู่ในฐานะของตัวเองแหละครับว่ให้ดูว่าเราจะเป้าหมายเป้าหมายที่จะปฏิบัตินะครับ ใ่เราจะอยู่ขั้นไหนใช่ไหมครับต่อไปขั้นที่สามครับข้อที่สามผู้ถามเนี่ยพยายามจะละกามพยายามอดทนโดยทําตามวิธีละอากุศลที่ท่านกล่าวไปแล้วในตามข้อหนึ่งแต่ก็ยังไม่สำเร็จยังเกิดการอาการตะบะแตกอยู่บ้างตบะแต่ก็คือว่าอดทนต่อไปไม่ได้นอกจากนี้ ผู้ถามลองพยายามใช้วิธีเดียวกันกับอาการเบื่อหน่ายและเสงในการทำงานด้วยแต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับก็คือการละอุศลครับห้าวิธีนี้เนี่ยต้องได้ผลแน่นอนไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่งครับเ<ล>ไราะครับก็คือตามในโพสต์ที่อยู่ใน p i u t a m a com เนี่ยมีวิธีการละอุศลอยู่ ทีนใน5วิธีเนี่ยถ้าวิธีที่1เนี่ยไม่ได้ผลก็ไล่ไปวิธีที่2ใช่ไหมก็คือว่าเปลี่ยนเรื่องคิด เ, เปลี่ยนเรื่องคิดก็ยังไม่ได้ผลก็ให้เห็นโทษเห็นโทษยังไม่ผลก็ไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นยังไม่ได้ผลก็ไปมองโลกในแง่ดีซะมองโลกในแง่ดีไม่ได้ใช่ไหมหักดิบไปเลยนะหักดิบคมไปเลยอย่างเช่นเราอาจจะเอามือบีบคอตัวเองเอาลิ้นดันเพดานลิ้นตัวเองกั้นลมหายใจจะเลิกไหมความคิดเนี้ยจะเลิกไหม จะเลิกไหมอย่างนี้นะถามจิตมันดูให้ขนาบจิตซะเราถ้าเราบีบคอตัวเองนะบีเข้าไปบีเข้าไปมันจะไปคิดเรื่องอื่นะ่ะแน่นอนมันจะเลิกคิดเรื่องที่เป็น ก, กนังวลคิดดา่าคนอ<ๆ>ื่นเมื่อไหร่บีบคอตัวเองเลยโอ้โหบิดบีบคอนี่ส่มเสียงต่อชีวิตเหมือนกันนะครับท่านอาจารย์ก <c oughs> ็อดดิบเลยไงจุดเพดานด้วยดินกัดฟันด้วยฟันถึงไม่ก็เอาเอาเอาเอาอะไรสักอย่างเคาะเคาะหัวตัวเอง นี่อย่าคิดอย่างเงี้นะให้มันบ้าไปเลยคือมันต้องหักดิบบางที่จิตเราเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะหมอระผมพูดดีๆไม่รู้เรื่องต้องด่ามันบ้างอ่อมันพูดฟังไม่รู้เรื่องบางทีต้องข่มบัับมันบ้างเหมือนมันยิ่งมันมากนะครับให้มันอดบ้างอย่างเงี้นะจิตเราอเพราะฉะนั้นเราก็อทําอย่างนี้หักดิบไปเลยในกิจวิธีที่อารมาแนะนําครับอืมครับก็คุณปณิชธิต ลองพยายามดูนะครับมีวิธีการที่หลายหลายอย่างให้เลือกนะครับคำถามข้อที่4นะครับการมีเป้าหมายในชีวิตหรือเป้าหมายในการทำงานนี่ถือว่าเรามีตันหาหรือไม่เช่นถ้าเราต้องการเก็บเงินเท่านั้นเท่านี้เราต้องการจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้การมีเป้าหมายเป็นสิ่งสมควรหรือไม่นี้ต้องถามมาอย่างพระพุทธเจา้าเนี่ย มีความปรารถนาในสัมมาสัมปจธิยานอย่างเงี้ยตอนที่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะี่ยเอ็งี้รเรียกว่ามีเป้าหมายในชีวิตได้ไหมใช่ครับ ม, มีเป้าหมายครับซึ่งซึ่งเราต้องมองให้ถูกต้องว่าคําว่าเป้าหมายเนี่ยหมายถึงอะไรใช่ไหมและคําว่าอยากเนี่ยหมายถึงอะไรคือตัณหานี่คือความอยากเนี่ยคือสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปกับด้วยความเกิดใหม่นะมีความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลินมักเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆ เพราะฉะ้อะไรที่เรา อ, อยากมากมากอย่างเงี้ยอยากมากมากเนี่ยไม่มีทางเวิร์กนะแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้ามีเป้าหมายในชีวิตอันนี้ทำได้แล้วถามว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตกับอยากเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันมากๆเลยคนจะมีเป้าหมายในชีวิตได้เนี่ยจิตของ ค, คุณต้องเป็นสมาธินะคุณจะตั้งเป้าหมายในชีวิตได้เนี่ยจิตงคุณจะต้องเป็นจิตที่อ่อนโยนกับการงานะเป็นจิตสบายๆเป็นจิตที่ตั้ง <คน S 3> มั่นใช่ มีความมั่นใจอันนี้อันที่หนึ่งแต่ความอยากเนี่ยมันไม่ใช่นะจุดอ่อนของความอยากเนี่ยกับจุกของความอยากคือมันถมไม่เต็ม<อ>นะมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับโงไม่มีต้นอยากอีกอยากอี ก, ออกอมัน<ช>จะอยากไปเรื่อยๆไม่จบอย่างคนบอกว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งมาดโทเขาต้องการทํารายงานให้จบครับเขาบอกว่าเนี่ยทํำง า, งานไม่จบไม่มีแรงกระตุ้นในการทํางานเลยทํายังไงดี จะต้องทำยังไงให้มีความอยากอะไรต่างๆเ่านี่ยนะซึ่งก็ต้องบอกว่าความอยากเนี่ยมีแล้วไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้เราทำไปแป๊บเดียวนะความอยากพระเจ้าเปรียบเหมือนกับไอ้คบเพลิงยา่าคบเพลิงยา่านะคบเพลิงย่าเนี่ยมันไฟจุดนิดเดียวอะ่ะแล้วมันก็มอดแล้วก็มีควันเยอะแล้วก็ไหมเร็วมันใช้ประโยชน์อะไรได้นิดเดียวนั่นเอง บางคนถ้าตั้งเป้าหมายในชีวิตแบบอยากใช่ไหมเขาล่ะไป น, นี้ฉันจะลดน้ำหนักเท่านี้พอผ่านไปหเดือนหกเดือนก็ยังเท่าเดิมอยู่ไม่ได้ทําอะไรนะไปทำํำนั่นไอ้นี่คือคบมันเปลี่ยนไปเรื่องอื่นความอยากเนี่ยมันดิดดิน้นอยากเรื่องนี้แล้วไปอยากเรื่องอื่นแล้วไปทําอย่างนุน่นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะสิ่งที่เราต้องมีคือการตั้งเป้าหมายในชีวิตไม่งั้นจะมีอิทธิบาทสได้ไงอิทนะธิบาทสี่คือคทําเครื่องปรุงแต่งครับ หนึ่งในอิทธิบาทสี่เนี่ยอิทธิบาทสี่มีสามอย่างนะครับหมายถึงว่าแต่ละสี่เนี่ยมีสามนะอ๋อมีเสียครับก็คือหนึ่งในนั้นก็ี่ยคือเรื่องของทําเครื่องประดุงแต่งนะก็คือปัญหาในชีวิตหรือเป้าหมายในชีวิตของเราล้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องมีสมาธิในการที่เราจะอะปฏิบัติสมมติคนมีเป้าหมายในชีวิตให้มีเงินร้อยล้านอย่างเงี้ยครถามว่าเวลาที่คุณจะต้องนั่งทํางานอย่างเงี้ยคุณกลับไปเล่นอินเทอร์เน็ตเวลาที่คุณจะต้อง นั่งทํางานเนี่ยคุณกลับไปเล่นคุยเล่นคุยนั่นคุยนี่ไม่มานั่งทํางานเวลาที่คุณจะต้องมาคิดงานใหม่ๆเนี่ยคุณกลับไปคิดเรื่องอื่นเี่ยอาถามว่าจิตแบบนี้มันจะไปได้เรื่องยังไงทำยังไงเราถึงจ ะ, ะไม่ไหลไปตามเรียก temptation ไม่ไหลไปตามเครื่องยั่วยวนต่างๆมีเพื่อนชวนไปกินข้าวเขาเนาะเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าฉันต้องทำงานก่อนนะอะคนที่จะทำอย่างนี้ได้จิตของ ค, คุณต้องมีกําลังต้องมีสมาธิแต่ ค, คนที่มีความอยากเนี่ย มันก็ไหลไปตามตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใช่ไหมมันไม่เดือดเพรานะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าคุณต้องมีความเป้าหมายในชีวิตนะแบบพอเพียงพอเพียงนั่หมายว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะเพราะถ้าเมื่อไหร่สมมุติเรามีเป้าหมายในชีวิตที่มีเงินสักพันล้านเงี้ยนะไปดูเงินในธนาคารไอ้ ย, ยามีแค่แสนเดียวเงี้ยแล้วก็มาเครียดใช่ไหมครับมันเครียดว่าเอ้ยฉันจะทําได้ไหมเนาะตอนนี้อายุเท่านี้แล้วไม่ได้เลยนะแต่สิ่งที่เร า, มาต้องมีคือความพอใจ ในสิ่งที่ตนมีอยู่พระเจ้าใช้คําว่าสันโดษคุณจะตั้งเป้าหมายว่าคุณจะมีเงินพันล้านก็นแหละแต่คุณต้องพอใจในเงินหนึ่งแสนที่คุณมีในกระเป๋านะสันโดษอยู่ด้วยเงินหนึ่งแสนที่เรามีในกระเป๋าแต่มีตั้งเป้าพันล้านทําไมจะไม่ได้อืครับขณะพระเจ้ า, ายังเป็นสมมาสัมโพธิเ์เป็นสมมาสัมโพธิเจ้าได้บรรลุสมมาสัมปทิญานได้เพระเจริญธิบาศสีไอ้แค่เงินพันล้านนี่มันไม่ใช่เรื่องอยากครับอื ม, ม อันอันนึ่งไม่ทราว่าจะเสริมว่ากรณีของการตั้งเป้าหมายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีก็คือเหมือนเราเราต้องสร้างเหตุสร้างปัใจจัยใช่ไหมครับในในการเข้าสู่เป้าหมายนั้นคนจะตั้งเป้าหมายได้จิตคุณต้องมีสมาธิครับเพราะนั้นสมาธิมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาคุณมีความอยากคุณมีตัณหาจิตไม่เป็นสมาธิหรอครับจะไหลไปเรื่อ ย, อยนะครับมีมีอันนึงที่ท่านเคยกล่าวว่าอา่าคนที่อยากเนี่ยอยากเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นหนี้เพราะว่าเราจะต้อง เหมือนอยากเนี่ยตัวเองยังไม่มีแต่เล่<ช>ว่าเราอยากเหมือนเราไปกู้กู้เงินคนอื่นมาใช่ อ, อย่างนี้ใช่ไหมครั บ, ค น, บคนเป็นหนี้เนี่ยมันก็จิตใจไม่สบายล่ะครับเพราะนั้นการที่เราจะไม่เป็นหนี้ได้เนี่ยคือคุณต้องมีความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีครับคือพอใจ<ม>ในสิ่งที่เรามีหมายความว่าเรามีแสนหนึ่งเราพอใจแสนหนึ่งนะครับแต่เราตั้งเป้าว่าเราจเจ้าพันล้านอ๋อเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคุณคุณตั้งเป้ า, าจเจ้าพันล้านเนี่ยเวลาเราจะ take action เราจะทำงานเนี่ยเราจะต้องมีสติมีความเขาเรียกว่าตั้งมั่นตั้งเที่ยงมากๆเลยในการที่จะปฏิบัติงานไม่ให้ไหลไปตามสิ่งอื่นไม่ให้ไหลไปตามครื่งยัว่วยวนไม่ให้ไหลไปตามอุปสรรคที่มันเข้ามากีดขวางเราครับอือครับเนี่ยชัดเจนนะครับท่านชัดเจนนะอ่เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็จะมีควาว่า ambitious with content ครับหมายความว่าเราต้องมีความทะเยอทะยานเน่แต่ความทะเยอทะยานเนี่ย มันแฝงไม่ด้วยตันหาจึงต้องเอาคําว่าสันโดษมาใช้ด้วยคอนเทนต์ต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายในชีวิตแต่ว่าอย่าให้เกินตัวไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่เป้าหมายเกินตัวมีได้ครับอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชาวบ้านปักต่อยธรรมดาแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะอคิดดูมันไม่เกินตัวหรือเปล่ว่าอย่างพระคนธรรมดาหนาๆปรารถนาเป็นพระรันโอ้โหมันไม่เกินตัวอะ อืมอ่ะมันไม่เกี่ยวว่าเกินตัวไม่เกินตัวแต่ว่า ค, คุณจิตเป็นสมาธิหรือเปล่าคุณพอใจในสิ่ง<ม>ที่ตัวเองมีอยู่ป่ะคุณสร้างเหตุถูกหรืร<ๆ>อเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตที่เป็นสมาธิมากๆจิตที่มีกําลังมากๆในการที่จะสร้างเหตุให้ถูกต้องให้เพียงพอในการที่เราจะได้เป้าหมายตามที่เราต้องการครับอืมอนี้เนาะครับเออโอเคคำถามต่อไปครับเข้าต่อไปนะครับข้อที่ห้า การเล่นดนตรีถือว่าเป็นการทําให้ลุ่มลงในกามหรือไม่อย่างนี้เราควรเล่นดนตรีหรือไม่ครับอืมก็ดนตรีถ้าเป็นการเล่นที่เป็นไปที่เป็นฆาสึกก่อต่ออคูโศลธรรมอ่า น, นี้ก็ไม่ควรอ่าส่วนบางทีเขาฟังอ่าเล่นดนตรีเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดปิติสุขอันนี้ก็เป็นปิติสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอก พ<น>ระเจ้าก็ถือว่าเป็นปีติสุขที่เป็นอมิตรพอมีปีติสุขที่เป็นอมิตรอย่างนี้แล้วจะอาศัยให้เป็นปีติสุขที่เกิดจากในภายในอันนี้ก็สามารถทําได้ก็คือว่าอาศัยปีติสุขที่เกิดจากข้างนอกทําให้มีปีติสุขในภายในแล้วก็ลักข้างนอกอันนี้ก็ทําได้อ๋อคือคำตอบก็คือว่าทั้งเป็นไปได้และไม่ได้นะอ๋อขึ้นอยู่กับลักลักษณะของของดนตรีอย่างนี้ไหมครับอย่างดนตรีธรรมะอย่างเนี้ย ใช้ได้ไหมครับแล้วแล้วแต่ลักษณะของคนแล้วแต่จิตของเธอหมายความว่าเคยเห็นนักดนตรีที่เขาซ้อมจนกระทั่งเขาเครียดอะเครียดแล้วก็เกิดความไม่สบายใจนักดนตรีเครียดมีนะหมรัฐพงศ์ครับเห็นครับเคยเห็นด้ครับอ้าวทำไมผิดต้าเลยฮะเล่นดนตรีแล้วมันมันเครียดได้ไงวะเล่นกับฟ้านี่ก็เออจริงจริงแล้วดนตรีน่าจะมีความสุขแต่เล่ดนตรีกับเครียดเพราะนั้นมันอยู่ที่จิตเรา พระเจ้าจึงยบย่องความสุขที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องล่ อ, อเป็นนิรามิสใช่ไหมครับใช่ครับแล้ว okay. ถั่ต่อไปครับต่อไปเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติของเราก้าวหน้าขึ้นมีอะไรเป็นตัวบอกครับอันนี้มาแถ้าตรงตามเลยครับก็จริงๆก็เอาตัวเกณฑ์วัดก็คือเรื่องของอินซีห้าใช่ไหมครับคือถ้าความเร็วในการปล่อยวางอารมณ์ ทำเร็วใช่คืออินทรีห้าเนี่ยเป็นเครื่องวัดผลของการที่เรามีอินทรีห้ามากหรือน้อยเนี่ยก็จะทําให้เราปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วหรือช้าครับเราละทิ้งโดยเฉพาะอกุศลใช่ไหมครับท่านถ้าเราละทิ้งอกุศลอ้าวใช่ก็คือปล่อยวางทั้งอารมณ์ทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลผู้เรียนใช้คําว่าอารมณ์ที่ชอบใจและอารมณ์ที่ไม่ชอบใจนะอ๋อปล่อยวางได้ครับเร็วทิ้งได้เร็วก็ถือว่าก้าวหน้าใช่ครับ อันนี้มีมีตัววัดเป็นเวลาเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าสมมุติว่าอที่ผ่านมาเราเคยโกรธคนนึงโกรธเป็นวันเลยอืแต่ว่าพอเริ่มปฏิบัติเริ่มพิจารณาเนี่ยเราโกรธสั้นลงอาจจะสิบนาทีห้านาทีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของกปฏิบัติใช่ไหมครับต้องครับครับบางคนเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยนะจิตฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่นั่งสิบนาทีอย่างเงี้ยจิตฟุ้งซ่านคิดนั่นคิดนี่เก้านาทีปล่อยวางไม่ได้ แปลวัได้แค่หนึ่งนาทีนั่งไปนั่งไปฝืนนั่งไปนั่งไปจากหนึ่งนาทีเป็นสองนาทีในคิดฟังชั่นแปดนาทีอย่างนี้ก็ถือว่าก้าวหน้านะก้าวหน้าขึ้นครับก้าวหน้าขึ้นครับถ้าอย่างนี้ในแง่ของประเด็นนี้ก็คือเราเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น<ม>ใช่ไหมครับเราเราต้องเปรียบเทียบกับตัวเราเองว่าว่าเออเราเราได้พัฒนาขึ้นใ ช, ใช่ไหมครับอันนี้เ อ, อเราไม่สามารถบอกได้ว่ากิเลส ข, ของเราหลุดไปเท่านี้ วันนี้สิ้นไปเท่านี้เงี้ยเราจะเปรบเหมือนกับรอยด้ามร อ, อรอยสึกรอยสึกอของด้ามที่เครื่องมือของพวกช่างไม้อย่างเงี้ยหรือว่ารองเท้าที่เราใส่ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยเราวันนี้ไปทํางานกลับมาบ้านลองวัดดูมันสึกไปกี่มิลลิเมตรเฮ้ยมันบอกอยากว่ะแ ค, แค่รู้ว่ามันสึกไปสึกไปนะปีหนึ่งสองปีอ้าวรองเท้าเป็นโรโบอปเปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองครับเหมือนกันเราทําไปทําไปสร้างเห็นให้ถูก นะเราจะว่าอยู่มาวันนึงโอ้โหฉันไม่โกรธแล้วเว้ยเรื่องนี้ทั้งที่ว่าเมื่อก่อนโกรธเรื่องนี้นี่ว่าเมื่อก่อนคิดไม่ออกเดี๋ยวนี้คิดออกเดี๋ยวนี้ไม่โกรธอย่างเงี้ยก็จะมีขึ้นมาได้ครับอก็เรียกว่าตัวเรานั่นแหละที่จะเป็นคนตอบว่าก้าวหน้าจะแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับเราต้องไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยครับทําไปทําไปอิเลชัยมันจะมาหวนเอาเราตรงจุดที่ว่าเอดูเหมือนไม่ก้าวหน้านิ่งอยู่เออเลิกแล้วกันนานพลาดละไม่ได้ อย่ายอมมันอืครับคือในในประเด็นเนี้ผมจะเจอบ่อยว่ามีผู้ปฏิบัติหลายท่านเลยเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ทราบเกณฑ์อันนี้แล้วก็ต้องไปหาเอ่อเขาจว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าคือก็ไปหาว่าเออช่วยตรวจสอบความก้าวหน้าหน่อยอย่างเงี้ยพระอาจารย์เห็นว่ายังไงครับในกรณีอย่างนี้เอ่อก็ถ้าท่านสามารถตรวจสอบได้นะก็อาจจะทําได้ครับนะในขณะที่ว่า พระพุทธเจ้าก็ให้เกณฑ์ในการเครื่องตรวจสอบไว้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เกณฑ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นี่แหละก็เป็นสิ่งที่สามารถเหมาะสมคือมันไม่มีใครจะมาตามเราได้ตลอดเวลาหมนืนระดับบงครับใช่ครับต่อให้ท่านไปคุณไปหาบุคคลผู้นั้นอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่ได้บ้า จ, จะตามตรวจคุณไปในห้องน้ําหรือว่าตามไปในเวลานอนอย่างเงี้ยนะเราต้องเราต้องตรวจสอบของเราเองรู้เองเห็นเองทํำไมาเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนหรอก คิดว่าปัจจัดตังใช่ครับเห <No. S 2> มืนอนอย่างเรื่องศีล น, นะไม่มีใครมาตามเราจริงๆนะครับเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเกิดเราไปตกยุ่งตบไรในห้องนอนใครจะไปทราบว่าเราผิดศีลแล้วนะครับอครับเพราะฉะนั้นในอคําถามต่างๆก็คิดว่าหมดแล้วครับแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังบปิดตามที่ถูกปิดภาคออนไลน์ครในตอนต่อไป เขานะน่าจะเอาเรื่องของพระพุทธเจ้ามาพูดดีกว่าครับอืเรื่องของความเป็นสัมมาสมัมพุทธะเรื่องของอกรรมอะไรต่างๆเหตุที่พระเจ้าได้สร้างมาอาจจะรวมถึงใครที่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้านะให้ฟังด้วยออ<ม>ต้องสร้างเหตุอย่างไรใช่ไหมครับวิธีสร้างเหตุอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยเป็นพระพเจ้าคือในปัจจุบันเนี้ยมันมีคนที่เป็นโพธิสัตว์คนที่ปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้า ไม่ฉันไม่ต้องการเป็นบ้ารานล่ะชาตินี้ฉันไม่ต้องการเป็นซอดาบันล่ะฉันต้องการเป็นพระพเจ้าในภายพักหน้าคุณสร้างเหตุถูกไหมให้มาติดตามกันฟังในตอนที่ยี่สิบหกวันนี้ตอนที่ยี่มาก็ขอลาไปก่อนมาถ้าพ่องมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ก็ไม่มีแล้วครับท่านจ้ะจ้ะงั้นก็เท่านี้เนาะคิดว่าท่านผู้ฟังให้ติดตามรับฟังกันต่อไปครับโอเคครับก็กราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ ไผ่บูรณ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีครั บ, <Yeah. S 2> บครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับทุกท่านทุ